วันนี้นะคะแก้วจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมนูขนมหวานสุดวิซที่อร่อยนนันขกขุ่กกี้กับเมนู small ซึ่งแก้วจะามาทำเป็นเมนู small คุกกี้ในสูตรเฉพาะของแก้วจะเป็นยังไงมาดูในคลิปกันได้เลยค่ะ